FM 89.5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีเขาเชิญเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่1 9บเถึงสิงหาคม2562นหอณหอประชุมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี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 ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก่อต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation for Life นะคะพบกับดิฉันกุลกนิษฐ์ทองเงาค่ะทุกค่ําคืนวันอาทิตย์แบบนี้เราเจอกันดึกหน่อยนะคะแต่ว่าสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุราชมงคลธัญบุรีแปดนะคะสําหรับ Innovation for Life ในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับอาจารย์ดรพสิทธิ์สุสวรรณพิงคารค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคล ราชมงคลพระนครนะคะซึ่งเราจะคุยกันเกี่ยวกับการที่อาจารย์ไปคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์โลกในงาน International Exhibition of Invention ที่เจนีวาค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราจะไปพูดคุยการเกี่ยวกับโปรแกรมพลังงานทางเลือกทดแทนสีเขียวเพื่อการลงทุนบนระบบปฏิบัติ การ a n d r ร i d นะคะโดยด็อเตอร์พสิทธิ์สุวรรณพิงคารค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนีออ้อาจารย์ด็อเตอร์พสิทธิ์สุวรรณพิงคารก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์ค่ะรางวัลที่อาจารย์ไปรับมาเป็นการควาร้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์โลกถูกต้องไหมคะอาจารย์ในงานใช่ครับ International Exhibition of Invention Geneva ครั้งที่47เจนอะที่อาจารย์ไปได้รับรางวัลมาแต่ทราบมาว่านอกจาก เป็นรางวัลโปรแกรมเรียกว่าเหรียญเงินนะคะโปรแกรมพลังงานทางเลือกทดแทนสีเขียวเพื่อการลงทุนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยวันนี้แหะค่ะที่เราจะพูดคุยรายละเอียดกันสําหรับรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนแล้วก็ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับผมก็ความรู้สึกใช่ไหมครับก็รางวัลกิมเนียครับทั้งผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะครับก็รู้สึกว่า ดีใจที่ได้รับรางวัลมาเพราะมีติดเป็นบ้างครับตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบไปถึงตรงนั้นนันถึงจุดนั้นนะครับผมค่ะคทีนี้ในส่วนของผลงานเนี่ยที่บอกว่าเป็นโปรแกรมทางเลือกทางเลือกทดแทนสีเขียวด้วยเพื่อการลงทุนบนระบ บ, บปฏิบัติการแอนดรอยเนี่ยพูดดูมัน ด, ดูดูเป็นแบบว่านมามธรรมอะค่ะบางทีก็อาจจะเหมือนฟังแล้วมันมันคืออะไรอยากให้อธิบายให้ฟังใช่ค่ะครับได้ครับคืออย่างนี้ครับเราอยากให้มองก่อนว่า เราใช้พลังงานทดแทนสีเขียวเนี่ยหลายๆคนชาวบ้านหรือประชาชนาทั่วไปอาจจะดิยามคําว่าพลังงานทะแทนสีเขียวคืออะไร uh huh. ในนี้ผมก็เลยให้ความคิดง่ายๆครับว่ามันคือพลังงานมาจากธรรมชาติที่สะอาดนะครับก็คือมาจากการหันลมการหันน้าหรือโ ซ, ซล่าเซลแสงแดดที่เราใช้กันนะครับครั้งนี้เราอยากให้มองก่อนาตัวอันเนี้มันเป็นแอปพลิเคชันแบบไหนแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเวลาเราไปเลือกซื้อของมาใช้ครับ แน่นอนว่าบางคนก็ยังไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ยังไม่เข้าใจว่าแผงเซลล์สสงอาทิตย์ทํางานยังไงการหันดอนทํางานยังไงการหันน้ําทํางานยังไงเราก็เลยจุดประการตรงนี้ว่าทําไมเราไม่มีของหนึ่งอย่างเหมือนกับไบเบื้หรือคำพีครับตำราเล่มของอ่าเหมือนว่าเราอยากดูว่าจะใช้ยังไงแล้วก็เป็นตำราตรงนี้ขึ้นมาครับผมอืมค่ะอาจารย์ขาแล้วเ อ, อในที่บอกว่าโปรแกรมทางเลือกทดแทนมันก็คือ ตัวโปรแกรมถูกไหมคะแล้วเพื่อก<ช>า ร, รลงทุน<ม>บนระบบปฏิบัติการ Android มันมาเชื่อมกันยังไงคะอาจารย์นี่แหละครับและหลายคนก็มักสงสัยว่าเรามีความรู้เสร็จครับแล้วมาเกี่ยวกับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้ยังไงเราอยากให้มองนี้นะครับตอนนี้ครับตลาดใช้มือถือครับระบบปฏิบัติการแอนดรอยเนี่ยเขาเปิดเหมือนโอเพนซอร์สซึ่งถ้าเกิดเราจะมองมือถือหลายยี่ห้อนะครับผมไม่เคยขอไอ้ยี่ห้อนล้วันมีหลายยี่ห้อมากเลย ที่ตั้งแต่ราคาตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักหมื่นบาทหนึ่งกว่าบาทพวกเนี้ครับเราสามารถลงโปรแกรมตัวนี้ก็ไปเสร็จปับ๊บโปรแกรมตัวนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับการใช้พลังงานโซล่าเซลล์การใช้พลังงานลมและพลังงานาน้ําโดยมีว่านอจากสอนการใช้เสร็จปับ๊บและหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากติดตั้งเมื่อเราติดตั้งเราเสียตังค์เท่าไหร่โปรแกรมนี้ก็จะคํานวณให้ว่าเราเสียตังคเป็นจำนวนเท่านี้นะแล้วสองปี คุณจะได้กํำไรกลับมาหรือสิทยีคุณจะได้กําไรกลับมามเหมือนสอนการลงทุนไปในตัวเลี่ยครับออืค่ะแล้วลักษณะโปรแกรมเนี้ยค่ะเคยเคยมีที่ไหนทําไว้ก่อนไหมคะอาจารย์กับที่เคยมีกับที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาค่ะอะตรงนี้เนะี่ยตอนนี้นะครับที่เป็นสําหรับสามโปรแกรมก็คือสําหรับพลังงานลมพลังงานน้ำและพลังงานแสงแดดนะครับยังไม่มีนะครับแล้วตัวโปรแกรมนี้นะครับข้อดีของเขาคือ การที่เราสอนการลงทุนนะครับส่วนมากชาวบ้านอาจจะมองเป็นตัวเลขที่อาจจะดูลัสับสนตัวเนี้ยจะแสดงผลในลักษณะเป็นรูปแบบของกราฟก็คือเป็นเส้นที่เห็นว่ามันจะดูแสดงผลได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราต้องการให้คนอยากจะลงทุนเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนเองที่บ้านนั่นแะครับนี่คือเหตุผลค่ะอาจารย์คะเราวิธีการการเขาเรียกว่าเราเราจะมีระบบหรือโปรแกรมปฏิบัติงานนี้ อย่างไรคะครใครควรที่จะมีคะอาจารย์อ่าคําถามเนี่ยสําหรับคนที่ควรจะมีนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าเราอยู่ที่บ้าน ม, มองง่ายอรครับเราอยากประหยัดไฟตอนนี้อย่างมีการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้าไทยจะอยู่ที่ลงดลวงการติดตั้งใช้ระบบโซล่าเซลล์ทดแทนราคาบ้านใช่ไหมครับติดตั้งเสร็จปั๊บลดทุนอันนี้ครับก็เป็นหนึ่งตอบโจทย์กับประชาชนที่มีความสนใจจากพลังงานทดแทนอย่างที่สองนะครับคือไฮไลท์ของโปรแกรมเนี้ย บางคนคิดว่าโปรแกรมจะต้องต่อผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาค่ะโปรแกรมเราจริงๆครับไม่ต้องต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแค่ลงโปรแกรมไปในเครื่องใช้จริงพื้นที่ไม่เกิน25เมกะไบต์เล็กเดียวเองครับถ้าเกิดว่ง่ายเหมือนติดตั้งโปรแกรมคล้ายๆโปรแกรมเล็กๆน้อยๆครับสำหรับแชทกันไปกันเมาเหมือนติดตั้งขนาดเล็กนิดเดียวเองพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันใช้งานง่ายมากเลยนั่นแหละครับก็นอกจากประชาชนทั่วไปหรือจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นหนั องค์กรที่เป็น SME ขนาดเล็กก็สามารถใช้ตรงนั้นได้ครับผ ม, อ, มอาจารย์คะขออนุญาตถามอย่างเช่นเรามีบ้านหรือว่ามีบริษัทหรือว่าอยู่ในองค์กรร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราได้สามารถใช้พลังงานไฟหรือประหยัดพลังงานไฟได้มากน้อยแค่ไหนเราสามารถบอกได้โปรแกรมนี้สามารถบอกได้คำนวณได้อย่างนี้หรือเปล่าคะอยากให้อาจารย์ใช่เลยครับสุขใช่เลยครับ<อ>ก็คือตัวโปรแกรมนี้นะครับตัว อ, อย่างเช่นว่า เราลองสดในโปรแกรมแชคชเม้นต์แหนึ่งคือเราก็จะบอกว่าทีวีในบ้านเรามีกี่เครื่องเครื่องขนาดเท่าไหร่อะไรต่างต่างไปใช่ไหมครับมีหลอดไฟก็โดยประมาณคร่าวๆครับว่าเราจะเห็นว่าเราใช้ไฟมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างใช้จํานวนเท่าไหร่ใช้เยอะไหมอ่าแล้วก็จะดูว่าอ่าถ้าเกิดเราใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดนี้มีพื้นที่ขนาดนี้ติดแผงโซล่าเซลล์ขนาดนี้ได้ไหม เอปิดเสร็จปุ๊บคุณจะมีกำไรหรือคุณทุนระยะติดตั้งเนี่ยเมื่อไหร่เป็นเวลามาให้ชัปเจนเลยครับเป็นลูปภาพเลยครับผมอออาจารย์ขาแสดงว่าพลังงานที่จะคำนวณก็คือถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องคำนวณจะต้องมีแผงโซล่าเซลล์ถูกต้องไหมคะจะไม่ใช่ไฟฟ้าทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อ่าใช้ได้ทั้งสอย่างครับอ๋อต้องแยกเป็นยั่ไงครับต้องแยกยังไงกันนะครับคือให้เรื่องมองญเข้าบ้านปุ๊บเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ใช่ค่ะแล้วเราก็อุปกรณ์ทีวีตู้เย็นอะไรอย่างนี้เราก็ระบุจำนวน 1, 2, 3, 4, สองสามสห้าแล้วเราก็จะเห็นว่าตู้เย็นเรากินไฟกี่วันก็จะมีกประเมินมาให้อ่าเราประเมินคร่าวๆมาเสร็จปุกใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะรู้ถึงข้อมูลดีเทลหรืกว่าตู้ไฟกินไฟสามร้อยวัตต์หกร้อยวัตต์แตบ่บางคนไม่ทราบเราก็เลยจะระบุว่าตู้เย็นขนาดสองบานขนาดประมาณ ก, กี่ อ่ากีนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะประเมินให้ใหผู้ใช้ทั่วไปครับสามารถประเมินผลการใช้ไฟฟ้าในบ้านเองได้งา่ายอเมื่อประเมินจากโซ น, นั้นเสร็จไปไหมครับเราก็จะทราบว่าการไฟฟ้าในบ้านของคุณนมีความต้องการเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวเราเองครับอยากใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลา่าเซลล์หรืออยากใช้ไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานาน้ําอำถ้าอยากจะใช้จากแผงโซลา่าเซลล์ปั๊บก็จะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราต้องติด มีพื้นที่ขนาดหนึ่งตารางเมตรบนหลังคานะหรือข้างๆบ้านเราติดได้สองตารางเมตรเนี่ยเราจะใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ได้กี่วันหรือขนาดไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาเซลล์เนี่ยได้เท่าไหร่ประหยัดไปได้กี่บาทจากที่เราใช้นั่นแหละครับคือสามารถเอามาทดแทนหรือว่าเทียบกับอค่าไฟหรือพลังงานที่เรารใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันก็จะสามารถบอกบได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ ว่าใช้ ร, ระหว่างใช้ไฟฟ้าทั่วไปกับการไฟฟ้าของแห่งประเทศไทยกับใช้จากโซลารเซลล์ ale, มันพลังงานมันแตกต่างกันม้ากน้อยแค่ไหนเราลดต้นทุนไปเท่าไหร่อย่างนี้เวลาหน่วยงานบ้านเราแบบค่าไฟมันขึ้นแบบนี้เราเราก็เช็คได้สิคะว่ามันขึ้นจากตรงไหนแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารยแบบ์ได้สา ม, มารถตรวจได้ประเมินได้ครับประเมินได้ ครับผมเพราะว่าค่าไฟที่เราคำนวณมาใช้ตรงนั้นนะครับเราใช้หลักการคิดค่าไฟฟ้าเนี่ยจากหน่วยงานของของภาครัฐอยู่แล้วครับคือเราก็จะดูว่าค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยมีการคิดค่าไฟในรูปแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ดินมาไฟฟ้าเช่ในครั้นแรกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราใช้ไฟฟ้านี้นะเราคพรจะอธิบายค่านะครับมันไม่ยากเลยครับง่ายมากเลยอืมค่ะอันนี้เฉพาะไฟฟ้าเนาะ เพราะอาจารย์บอกว่าสามารถใช้อะลมพลังงานลมได้อีกถูกถูกถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับอือค่ะก็เลยมองว่าเพราะว่าที่เราเป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยที่มาใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยครับเพราะว่าบางที่ะครับแสงแดดเนี่ยโดนต้นไม้ใหญ่บัางโดนอาคารสูบงบ้งเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดมีแสงแดด บ, บางหรือแสงแดดไม่เพียงพอพุ๊บเนี่ยก็เป็นพลังงานลมนั่นแหละครับเพราะในพื้นที่พลังงานลมเข้าถึงมากกว่า หรือในบางพื้นที่ครับพลังงานน้ำเข้าถึงมากกว่าทําไมเราจะต้องไปเจาะจงว่าให้เป็นเฉพาะ พ, พลังงานนี้พลังงา น, นเราเลยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนที่ใช้แอปพลิเคชันสามารถสนุกแต่จากการใช้แอปได้ว่ามีให้เลือกสารูปแบบนะหรือคุณจะทํายังไงกับมันก็ได้บ้างนั่นแหละครับการประเมินอืมค่ะแล้วในส่วนของแอปพลิเคชันที่อาจารย์พัฒนาอาจารย์พอจะบอกไนดะ้ได้ไหมคะว่าเ อ, อกระบวนการในการพัฒนา ตั้งแต่โปรแกรมจนมาถึงอาสามารถติดตั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยเนี่ยมีมีมีกระบวนการอย่างไรบ้า ง, างเอาคร่าวๆใช่ใช่ค่ะค่ะก็คือระยะเวลาเริ่มแรกเนี่ยครับเราก็ศึกษามาก่อนม่าดินคาไฟของแผนชาร์จพลังานนะครับของคาไฟฟ้าระฆังหัวกระคาไฟฟ้ามีมากมีรูปแบบอย่างไนบ้างอย่างที่สอนแล้วก็ศึกษาว่าสีสีของผู้ใช้ไฟแต่ละบ้านเนี่ยดีอุปกรณ์ไฟฟ้าประเทศไหนนะครับเพื่อจะทํา เกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณในส่วนนี้พอถัดมาใช่ไหมครับเราก็มาศึกษาว่าการติดตั้งของโซล่าเซลล์ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็การคำนวณขั้นตอนอย่างไงทั้นของพลังงานน้ำและพลังงานลมเนี่ยเราก็ยีทั้งสองอย่างเนี่ยครับเราเพิ่งเข้าหากันโดยใช้อ่าหลักการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องครับคือการลงทุนเนี่ยมีลงทุนเท่านี้ นะครับเรื่องของการจิตตั้งและมีการใช้ไฟฟ้าเท่านี้เป็นค่าไฟเท่าไหร่จะคืนทุนเป็านเมื่อไหร่สองนี้แหละครับของก็มีทั้งหมด3าองค์ประกอบหลักครับออืค่ะอาจารย์ขาแล้วในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยค่ะ อ, อย่างอย่างที่ถามอาจารย์ตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่ามันถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรมที่เขามีปัจจุบันกับที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นนะ่ะมันมีข้อดีข้อด้อยหรือต้องพัฒนาอะไรยัรงไง<ช>ไหมคะ ค, ค่ะค่ะ อันเนี้ยอันนี้ครับโปรแกรมตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้ทันทีข้อดีของเขาครับอย่างแรกคือไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต ก, ก็สามารถใช้งานได้ข้อที่สองนะครับก็คือพื้นที่จัดเก็บบนมือถือครับมันใช้ขนาดไม่บ้างแล้วอยากจะให้บองครับบางชาวบ้านหรือประชาชนบางคนครับมือถือบางเค้าเนี่ยราคาไม่ได้สูงบ้างพันกว่าบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ก็ติดตั้งโปรแกรมบางตัวครับมันก็จะกินพื้นที่ในมือถือเพราะว่ามีที่ให้เก็บรูปไม่กี่พาทเองนี่ียนน้อยมากครับเราก็เลยมองว่า ทำไม่แล้วไม่ทำโปรแกรมอย่างเล็ก ๆ, ๆง่ายๆให้มันเข้าถึงตรงนั้นได้ครับนั่นแหละครับเพิ่งเคยได้ยินนะคะ <ๆ S 1> ว่าโปรแกรมเล็กๆง่ายๆเราใช้ประโยชน์ได้ขนาดนี้มันมีด้วยเหรออาจารย์ปกติแล้วส่วนใหญ่นี่ <c oughs> โหลดอะไรมาสักอย่างหนึ่งเต็มแล้วค่ะอาจารย์โใช่ครับผมสามารถให้ข้อมูลได้เยอะแต่ว่าใช้พื้นที่ที่เราจะลงโปรแกรมในโทราศาพัพท์น้อยถูกต้องไหมคะใช่เลยครับถูกต้องเลยครับผมแต่สามารถแบบใช้งานได้มหาศารทีเดียว ไม่เปลืองพื้นที่การใช้งานในโทรศัพท์มือถือใช่ครับอืมค่ะนั่นแหละครับโทรศัพท์ราคาถูกถูกก็โหลดมาใช้งานได้ใช่ครับผมไม่จำเป็นจะ ต, ต้องตื่นเต้นเหมือนนั่นแหละครับเพราะที่ <c oughs> ผมมองกันว่าเรามองถึงว่าประชาชนทั่วไปครับไม่จำเป็นต้องติ้นเปื้นขนาดเยอะมากเราใช้สิ่ง ท, <c oughs> ที่เรามีอยู่ใกล้ตัวให้มากที่สุดครับความถือว่าจะสุขค่ามากกว่านั่นแหละครับผม อ, ออือค่ะอาจารย์คะแล้วผลงานอาจารย์ที่พัฒนามาเนี่ยมีการทดลองใช้แล้วผลเป็นยังไงบ้างคะอ่าผลงานนี้นะครับใช้กับบริษัทมีผ้าเอกชนนะครับได้นำไปทดลองใช้นะครับก็รู้สึกกับแฮปปี้กับชิ้นผลงานชิ้นนี้ม า, ากครับเพราะว่ามันตรงเป้าตรงที่ว่าหนึ่งคือเขามีความรู้สึกว่าไม่ได้โดนจีบังคับไม่ใช่ของแพงเขามีความรู้สึกว่า เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเข้าถึงคุณมบุคคลได้ง่ายถ้าเราปล่อยตัวนี้ให้บคุคคลทั่วไปได้ใช้งานนะครับมันจะใช้งานได้และไดไ้ง่ายๆมากเลยครับแล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะครับอืมค่ะแล้วมีแบบฟิทแบ็กลับมาไหมคะสาหรับผู้ที่ใช้งานบริษัทที่อาสาอืมค่ะฟีทแบ็มีครับคืออยากให้เป็นแบบนั้รูปภาพสวยงานมากขึ้นครับอตอนนี้มีแต่ข้อมูลถูกต้องไหมคะมีแต่ Data มีมีมีรูปภาพบ้างครับแต่ว่ามันยังไม่สวยงามมันยังแบบฟ้าไม่นึกเหมือนแบบว่ารูปภาพแบบ กราฟิกลูกภาพยังไม่สวยครับเราอยากให้ลูกภาพสวยงามขึ้นนั่นแหละครับค่ะแล้วอาจารยาก์กับทีมงานมีแนวทางหรือว่าคิดไว้ไหมคะว่าจะต่อยอดโปรแกรมนี้อย่างไรตอนนี้เปิดให้บริการาแล้วหรื อ, อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมทางผมตอนนี้กําลังคิดอยู่ทางทีมงานทีวิจัยนะครับก็คือตัวผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยกําลังคิดอยู่ว่านอกจากระบบปฏิบัติการบนแอ d ดรอยเนี่ยครับผมกําลังคิดว่าทําไมเราไม่ทําทั้งของแอนดรอยก็คือทั้งไอโด้วย นี่แหละครับแล้วก็ถามว่าเรื่องการเปิดให้บริการใช่ไหมครับตอนนี้ต้องรอให้ทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ์ในของทั้งสองเวอร์ชั่นก่อนนะครับเพราะว่าแอนดรอยด์มันเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวแค่ไอโถ้าเกิดในไอโอเอฟเสรจสมบรณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของฟีดแบตและการทดลองใช้งานสักระยะหนึ่งถ้าเก็ดทุกอย่างมันโอเคครับแล้วก็จะเปิดเรื่องของการใช้งานครับค่ะตอนนี้ถือว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือยังคะอาจารย์ คาดบอกว่าภายในปีหน้าครับภายในปีนน้าค่ะเพราะตอนนี้กำลังพัฒนาที่จะลงใน iOS อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะอาจารย์ขาทันทีที่มีข่าวสารผลงานของอาจารย์ทั้งได้รับรางวัลก็กดีลองทดลองใช้มีฟีดแบ็กก็ดีแล้วคนอื่นที่ทราบข่าวมีฟีดแบ็หรือว่ามีการโทรเข้ามาพูดคุยในเชิงในเชิงพันนิดบ้างไหคะอาจารย์มี มีครับแต่ว่าทางนี้ทางเราก็เราเราก็อยากให้แบบบอกให้คําเดียวว่าเราอยากพัฒนาให้มันสมบูรณ์ทั้งสองระบบปฏิบัติการก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบว่าทําไมเราอยู่ไปไปอยู่บนระบบปฏิบัติการเดียวเพราะบางเครือข่ายก็มีใช้บนไอโอเเราอยากให้บอกว่าของเราเนี่ยเหมือนเหมือน ยาพาราครับใช้ได้ทุกที่ประมาณ น, นั้นนะ <laughs> และ <laughs> นน้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มหศรราศาลค่ะปรัค่ะไขยเจ็บไข<ม>้ได้ป่วยค่ะอาจารย์ค่ะผลงานอาจารย์เนี่ยชื่อเต็มๆเลยคือโปรแก ร, รมพลังงานทางเลือกทดแทนสีเขียวเพื่อการลงรทุนบนระบบปฏิบัติการ Android <อ>แต่อาจารย์มีชื่อแบบเน็ตเน็ตคเนมด้วยใช่ไหมคะชื่อไคะีครับผมที่อ p o e r y ครับอ p o e r p o e r y ใช่ครับ p o w e r y ครับค่ะ S <S มันมันกตก็ามสะกดก็คือ e a t o w e r y ครับครับแอปัครับผมค่ะอือส<ป>ั้นๆอืมนั่นแหละครับ f poweri นะคะสำหรับผลงานของอาจารย์สุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ได้สรุปเรียกว่าวัตถุประสงค์และความตั้งใจและความคาดหวังของอาจารย์ในทีมงานสำหรับการพัฒนา f p o w e r y หรือโปรแกรมพลังงานทางเลือกทดแทนสีเขียวเพื่อการลงทุนบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยค่ะครับผมครับผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะในผลงานครั้งนี้นะครับอยากจะขอบคุณอย่างแรกเลยครับความข้างหวังก็คือขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเรื้องหลังทุกคนนะครับก็มีทีมงานรัชมงคลหลายๆที่ที่ให้การสนับสนุนนะครับเได้เหลืยดกันแล้วก็ทีมงานรู้สึกตกใจครั้งแรกที่ได้รับรางวัลมาผมก็มีชิดตาจะได้ยผ่านเราเลยสักบางเรามองแค่ว่าเราเป็นมหาลัยเล็กๆกลุ่มคนเล็กๆนากวิจัยเล็กๆครับที่อยากจะทํางานเยอะ คนอื่นบ้างนะครับรู้สึกว่าต้องขอบคุณบ้างแล้วยังไงถ้าเกิดตัวแอปพลิเคีันนี้ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ดาวน์โหลดในไม่ว่าจะเป็นเพ t o ซหรือ Google หรืออะไรนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมค่ะจะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะถ้าหากว่ามีคนสนใจรายละเอียดเพิมเ่มเติมจากที่เราพูดคุยกันครับผมก็สามารถติดต่อได้มาที่มหาวิทย า, ย ล, ายยลัยคโนโลีและสมคลพนักศคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานีสมัมมนาไฟฟ้าได้เลยครับผมค่ะจังหมดนี้ค่ะคือการพูดคุยกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับรางวัลที่อาจารย์ได้รับนะคะรางวัลเหรียญเงิน p o w e r าว y โปรแกรมพลังงานทางเลือกทดแทนสีเขียวเพื่อการลงทุนบนระบบปฏิบัติการ Android ต้องบอกว่ามีผลงานในการส่งเข้าประกวดเนี่ย แปดกว่าผลงานนะคะอาจารย์ที่นครเช น, น, นิวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับขอแสดงความยีนดีครั้งแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากมที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้วันนี้ค่ะเวลาของทาง i n n o v a t i o n ฟอร์ไลฟก็หมดลงแล้วดิฉันข อ, ขอขอบคุณอีกครั้งกับอาจารย์ดรภัสิทธสุวรรณสุวรรณพิงคารนะคะคอาจารย์ครับผมค่ะอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ครับผมค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและใ น, นวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หนีส้นสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life